นัตตลกนัตสูตรที่เราสอตยาเมืสักครู่มันเป็นการแสดงความจริงขั้นปรมาทนะความจริงก็มีสองระดับนะระดับปรมัานี่ก็เป็นความจริงที่มันไปพ้นสมมุติไปพ้นบุคคลนะไปพ้นความเป็นเราความเป็นเขานะไม่มีในก่อนในขอไม่มีแม้กระทั่งมนุษย์ไม่มีแม้กระทั่ทงสัต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 ด้วยจุดมุ่งหมายที่ต่างกันสารระดับปรมัภิเพื่อให้ปล่อยวางส่วนสารระดับสมมุติหรือโลกิยะนะก็เพื่อให้ทำดีต่อกันนะทำดีต่อกันหรือว่าให้มีความเพียพรพยายามบางทีก็จักว่าเนี่ยเราทั้งหลายมีกา ร, รเป็นของตนนะ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 ไม่ใช่อ่ะไอความเปลี่ยนไปของเราเนี่ยมันก็อยู่ที่กรรมของเรานั่นแหละนะกรรมแต่และคนมีกรรมเป็นของตนเนะอยากได้ดีก็ทําดีนะถ้าทําไม่ดีก็ต้องเจอชั่วนะหรือว่าเจอความทุกข์แล้วขณะเดียวกันก็อถ้าอยากให้ตัวตนนี้ดีนะเราก็ต้องมีธรรมะมีสติมีความเมตตากรุณา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 เคยทำงานบริษัทใหญ่แต่ตอนหลังบริษัทนี้ก็ย่ำแยก่ก็เลยอะไปเรียนต่อีกว่าประเทศอเมริกาเธอไปเรียนที่เมืองบอสตันนะก็เป็นหมหาวิทยลาลัยเล็กๆเนี่ยไปด้วยทุนที่ค่อนข้างจะจำกัดจองเขียหาทุนได้นะมายถึงได้ถึงได้ทุนไปแต่ก็ทุนก็ไม่มาก วันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยใครๆไปเที่ยวกันนะเธอก็ต้องอยู่หอพักนะเพื่อจะทำอาหารทำอาหารนี่ประเภทกินได้ทั้งอาทิตย์นะอาหารที่ไปซื้อมาก็ไข่หนึ่งโลนะราคาสองดอลลาร์เนี่ยกินได้ตั้งหกวันนะก็กิจวัตรเป็นอย่างเนี้ยทุกอาทิตย์ก็คือวันเสาร์เนี่ยมาเวลยปิด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 เตอร์ตอบพอใชยนะไขะ่หนึ่งโลแค่สองดอลล่าเองนะระหว่างที่คุยโต้อตอบกันอยู่เนี่ยนะเขาบอกว่ายามนะยามหน้ามาทลายในเห็นก็ทําท่าจะโทรศัพท์คงจะโทรศัพท์เรียกตารวจนะเธอก็ก็เลยโบกมือนะโบกมือแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรนะไม่มีอะไรนะเพื่อนกัน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 ไอ้โจมันใจอ่อนเลยนะใจอ่อนแล้วยันก็ประทับใจในน้ำใจคนไทยนะอุตษาหนะ เ, ราเราขนาดลอจี้เขานี่เขายังบอกว่าเป็นเพื่อนกันเลยแล้วลงเออยังไงรู้ไหมไอ้โจคนนี้ก็พาผู้หญิงไทยคนนี้นะไปซื้อของที่ซนะูเปอร์มาร์เก็ตซื้อไข่ซื้ออาหารซื้อขนมให้เป็นถุงใหญ่เลยนะแล้วก็แถมเงินให้อีกห0สิบดอลลาร์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 เธอก็ถามว่าบ้านบ้านคุณอยู่ไหนเขาก็บอกว่าอยู่ใต้สายรถไฟใต้ดินเธอก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะจะไปเยี่ยมบ้านคุณนะจะไปพาทำอาหารไทยให้กินไอคนดังนันบอกโอ้ดีเลยนะเพราะว่าเมียเนี่ยชอบต้มยากุ้งแล้ววันรุ่งขึ้นในะวันอาทิตย์เธอก็ไปอีก น, นะ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 ว่าเนี่ยไปกินสาเกมาเหรอเห็นหนุ่มก็ต้องบอกใช่สิแล้วมันเรื่องอะไรของแกมาถามทำไมคนแกนี่นก็บอกว่าเนี่ยสาเกนี่ฉันก็ชอบกินนะนะปกติฉันก็ชอบกินสาเกใต้ต้นสากูระ่นะกับเมียมันมีความสุขมากเลยพอพูดเท่านี้แกก็สังเกตนะว่า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 เขาเพิ่งไปเรียนไอคิดโดมาเป็นฝรั่งไปเรียนไอคิดโดมาแต่ตอนที่เห็นไอชายหนุ่มคนเนี้ยที่มันเมาเนี่นะแล้วก็อารวาสในในรถไฟเนี่ยแกก็เตรียมจะเล่นงานไอชายหนุ่มคนนี้แหละด้วยไอคิดโดนะอุตสาห์เรียนมามันเป็นศิลปะป้องกันตัวไง แต่พอไม่เห็นคนแก่คนนั้นเนี่ยนะปฏิบัติกับคนเมาเนี่ยด้วยความอ่อนโยนด้วยความรักด้วยความเข้าใจเนี่ยแกก็เลยรู้เว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยไอคิดเราชั้นสูงเขงินนี้แหละก็คือการใช้ความรักนะการใช้ความเมตตาแล้วก็สามารถจะสยบนะคนเมาคนนั้นได้กลายเป็นอ่อนระทวยเลยนะเพราะว่าพอมีคนเนี่ย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 ใจจึงไม่โกรธนะใจจึงไม่กลัวด้วยแต่ใช้ความรักความเป็นมิตรมันมีอนุภาพนะความรักความเป็นมิตรเนี่ยอันนี้พุทธเจ้าก็สอนเองนะว่าเวลาเวลาเจอคนที่ทําตัวไม่ดีเนี่ยก็ต้องใช้นะความดีพึงเอาชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธเอาชนะความช่วยด้วยความดีเอาชนะความตนหนีด้วยการให้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 ตอนนี้ก็ดึกแล้วนะได้เวลานอนแล้วนะฉันก็จะนอนเธอก็จะนอนด้วยนะแล้วพรุ่นี้ค่อยว่ากันใหม่นะแต่ตอนนี้เธอพักผ่อนได้แล้วแล้วเธอก็ร้องเพลงกล่อมเด็กให้มะเร็งฟังนะมะเร็งมันจะรู้เรื่องหรือป้ยเนะี่ยอันนี้ไม่ทราบนะแต่ที่แน่คือความเมตตาที่เธอมีกับมะเร็งเนี่ยมันทำให้ใจเธอเนี่ยสงบเย็นลงไอ้ความโกรธ ก็มาครอบงาเธอได้น้อยลงแล้วก็ทําให้ความปวดทุเลาลงด้วยมอในง่ายนึงคือว่ามะเร็งก็กลายมาเป็นมิตรกับเธอนะพอเธอให้ความเป็นมิตรความเมตตกับมะเร็งนะมะเร็งก็กลายเป็นมิตรกับเธอเหมือนกันก็คืออารวาอนะน้อยลงนะอีกคนหนึ่งก็เป็นโรคสะเก็ดเงินนะปวดมากแต่ว่าเธอก็ไม่ค่อยได้ใช้